หลักการทำสมาธิสำหรับนักธุรกิจหลักการปฏิบัติสมาธิที่สบายที่สุดสำหรับนักธุรกิจนักทำงานอย่าไปมุ่งเอาความสงบจิตที่สงบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเพียงอย่างเดียวเอาตรงที่มันสามารถแก้ปัญหาจิตใจได้เช่นสมมติว่าพอนั่งปับลงไป จิตของเรามันคิดคิดคิดที่เรียกว่ามันฟุ้งซ่านนั่นแหละคิดไปแล้วไม่คิดเฉยเฉยคิดแล้วยังพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายสุขไปทุกข์ไปสารพัดจิปาฏะถ้าหากว่าสติรู้ทันเหตุการณ์เหล่านี้คือสมาธิปัญญาพอไปไปพอสติสัมปชัญญะมีกำลังแก่กล้าขึ้นจิตจะว่างลงนิดนึง แล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาสภาวะที่มาโยยุให้เราเกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยคือความคิดปรุงแต่งนี้เองถ้าในช่วงใดจิตของเราสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางความยินดียินร้ายไม่เกิดเราก็จะรู้ชัดเจนลงไปว่าความคิดที่สามารถปรุงแต่งจิตของเราให้เกิดอารมณ์ยินดียินร้ายนี่คือตัวสังขาระอนิจจา สังขารไม่เที่ยงแต่ความคิดอันใดที่ไม่สามารถปรุงให้เราเกิดความยินดียินร้ายได้นี่คือตัววิสังขารจิตของเราเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์เราจะได้ความรู้ชัดเจนเป็นขั้นตอนขึ้นมา